เวลาจริงๆอ่ะใจอใจมันก็อยากให้มันคล่องเข็วกระชับกระเชงอ่ะนะแต่มันทำไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเลยทีนี้มันก็เลยถือว่าอินทรีย์ทั้งหกก็เริ่มเสื่อมอันความชราก็คือความที่อินทรีย์หกนั่นแหละเสื่อมเรียกว่าความชราค่าตายอะไรตายถ้าตาหูจมูกเล่นกายใจมันแตกทําลายเรียกว่าตายความแก่ก็คือความเสื่อมคุณภาพของอาหูจมูกเล่นกายใจนี้ความแก่ความตายเหล่านี้มาจากไหน มาจากเกิดแล้วเกิดมาจากไหนมาจากกรรมกรรมเนี่ยมตัวนําเกิดแล้วกรรมมาจากไหนมาจากกันหาอุปาทานกันหาอุปาทานมาจากไหนเวทนาเวทนาก็มาจากผัสสะผัสสะก็มาจากอาหูจมูกลิ้นกายใจอันเก่านั่นแหละแ้วตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเก่ามาจากไหนก็มาจากปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณมาจากไหนก็มาจากกรรม ไล่ไปไล่มาก็มีเหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลไล่มาก็ไล่มาอยู่เท่านี้แหละก็เหมือนกับนั่งันถามว่าไอ้ตําเยเนี่ยนะกับเม็ดตําเยเนี่ยต้นตําเยกับเม็ดตําเยอันไหนมันเกิดก่อนกันอันไหนเกิดก่อนก็เมล็ดตําเยกับต้นตําเย่เนี่ยนะก็ไล่ไปอย่างเงี้ยนะต้นตําแยเนี่ยมันมาจากต้นแล้วต้นมาจากไหนมาจากเม็ดเม็ดมาจากไหนก็มาจากต้นต้นมาจากไหนก็มาจากเม็ดก็ไล่ไปอย่างเงี้ยสรุปแล้ว ถามว่าเราต้องการจะสืบท่อสายพันธุ์น่ะนะถามไปเพื่ออะไรก็เพื่อต้องการทําลายพันธุ์อันนี้ใช่ไหมที่มันไม่ดีมันเสียหายขนาดนี้ยนะภาคอีสานหรือภาคอื่นเขาเรียกว่าดีนะเขาอุปมาว่าต้นน้ําเกลียงต้น น, ตน้ําเกลียงเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มียางเป็นพิษบางคนแพ้นี่นะแค่เดินผ่านไปใกล้ๆนี่ก็ผื่อขึ้นเต็มตัวไปหมดบางคนเนี่ยต้องโดนยางก่อนนั้นตัวจะเปื่อยยังไงนะี ก็ต้นอันนี้มันก็สืบพอดสายพันมาอย่างนี้ทีนี้การสืบการสืบสาวเรื่องเนี้เพื่อต้องการทำลายตัดสายพันคือความสืบต่อสิ่งเหล่านี้ที่เผ่าพัน์ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะเผ่าพัน์แห่งอุปาทานขันห้าอันเนี้ยเมื่อเราสาวไปอย่างนี้ก็จะเห็นว่า อ, อ่าหูจมูกเล่นกายใจอันเนี้ยมาจากการเกิดเกิดมาจากไหน ก็มาจากการทํากรรมแล้วทากรรมนี่อาศัยอะไรก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาจากไหนมาจากเกิดเกิดมาจากไหนมาจากกรรมที่มันทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเกิดทั้งสรุปกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้ทากรรมทํากรรมก็เป็นเหตุให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะได้ทํากรรม เอาเราจะไปดูอะไรมั่งที่เราไม่ต้องทํากรรมอีกเลยนีไหมไปดูเจดีทํากรรมไหมทําขณะที่เห็นเฉยๆเนี่ยนะชาวนาจิตทางบรญจาทวามที่รับมาหรือคิดตามภาพที่เห็นเป็นมโนกรรมพูดเป็นปฏิกรรมมีพฤติกรรมชี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นกายกรรมกรรมเหล่านี้เพื่อให้มีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปเนี่ยนะที่นี้ อเมื่อมันเป็นเหตุเป็นผลสืบเรื่องกันไปอย่างนี้เนี่ยนะล้วก็ดูว่าไอ้ตัวไหนนะี่ยเชื่อมให้กรรมและผลตัวไหนเชื่อมให้กรรมเนี่ยมันให้ผลก็ยางเหนียวทั้งหลายเนี่ยนะให้เรียกว่าบางแห่งก็เรียกว่าสังโยชน์ใช่ไหมสังโยชน์ผูกวิบากอขออภผูกกรรมให้มีวิบากผูกพบเอาไว้กับพบผูกคติเอาไว้กับคติอันนั้นเป็นงานของสังโยชน์หรือเป็นงานของ อันหาอันหาเนี่ยเชื่อมประสานเย็บเย็บระหว่ังภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากกรรมให้ไปมีวิบากเนี่ยนะจากการเกิดไปสู่การเกิดเนี่ยนะจากเกิดไปหาตายตายแล้วจะได้เกิดเกิดสืบเนื่องอันตาตัวตันหาเป็นตัวฉาบทาเอาไว้ทีนี้ทํายังไงจึงตันหาจึงจักสิ้นไปล่ะทํำไงหนอจึงจักสิ้นตันหานี่ก็มาดูว่าตันหามันเกิดมันเกิดที่ไหนตันหาจริงๆมันชอบอะไร ถ้าว่าไปมันก็ชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจน่นแหละก็ลองดูนะลองคิดดูเนี่ยถ้าเราจะต้องสูญเสียตาไปเนี่ยนะเสียใจด้วยไหมสมมติว่า อ, อีกสามนาทีข้างหน้าตาจะบอดยางงีก็วิธีดูง่ายๆนะไอคิดอย่างนี้อาจจะแบบแหมฉันไม่ค่อยห่วงอะไรนะถ้าลองอะไรบินเข้ามาด้วยบินแบบเห็นมาเลยชัดๆจะเข้าตาเลยนะทาไงกัอนอย่างน้อยก็หลับตาก่อนนะนะ บางอย่างก็รีบหลบให้มันพ้นกายอตาหูจมูกลิ้นกายให้มันพ้นเร็วที่สุดที่จะพ้นได้เพราะอะไรเพราะเราหวงมากขนาดนั้นเช่นฟ้าผ่าแล้วสะดุ้งเป็นต้นเนี่ยเพราะเราหวงหวงตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละทัา น, นก็บอกว่าถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหรันต์นะถ้าเราบอกว่าลองทําให้เขาตกใจดูด้วยวิธีต่างๆถ้าตกใจมันไม่ใช่เพราะพระอรหันต์เนี่ยจะไม่หวงขันท่าเนี่ยนะความเป็นกับความตายของท่านไม่ไม่ต่างกัน แต่ถ้าเราแบบมีอะไรตั๊บสะดุ้งเฮือขึ้นมาโอ้โหเรายึดขนาดนั้นเลยน ะ, ะ, สะแสดงว่ายึดถือไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ย น, นะทีนี้อตัวตัณหาเนี่ยนะก็อาศัยอะไรก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเกิดนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่มาจากกรรมแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็แบ่งเป็นอดีตอนาคตกับปัจจุบันเนี่ย น, นะอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตอนาคตก็จกสิ้นใน อนาคตปัจจุบันก็สิ้นอยู่ในปัจจุบันถ้าแบบหยาบๆเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจชาติที่แล้วถึงเหลือถึงชาตินี้ไหมไม่ถึงของชาตินี้จะถึงชาติหน้าไหมไม่ถึงนะของชาติหน้าจะถึงชาติต่อไปโน่นไหมไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็อดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตอนาคตก็จะสิ้นไปปัจจุบันก็กําลังสิ้นไปเนี่ยนะกาลังสิ้นไปทีนี้ไอ้ความไม่เที่ยงความเกิดความไม่เที่ยง ความเป็นทุกความเป็นอนัตตาความสิน้นความเสื่อมความสลายไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนั่นเนานะถามว่าเพราะอะไรเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดก็มา ล, ล, ลองไล่สืบๆเป็นอันๆใช่ไหมมีอยู่สูตรหนึ่งข้อความในพรหมชาลสูตรที่พระองค์กล่าวถึงว่าที่สูตรที่รู้เหตุเกิดความดับอศาศะทาอาทีนวานิสรณะของภาษายะตะนาหกเนี่ยนะ ท่านเหล่านี้จะทําที่สุดแห่งทุกได้ทีนี้คําว่าเหตุเกิดนี่คืออะไรก็เพราะอะไรเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดก็เพราะอวิชชาเกิดตันหาเกิดกรรมเกิดจึงทําให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอาหารเกิดตาหูจมูกลิ้นกายจึงเกิดเพราะนามรูปเกิดใจจึงเกิดและนนิพัติลักษณะลักษณะที่เจริญเอิบโตการเกิดมืดขึ้นมาของของอะไร องตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ถ้าเราจะเลิกที่เราจะไม่สร้างต่อไปเนี่ยจะไม่ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในพบต่อไปอีกทำไงก็ต้องอวิชาดับการหาดับกรรมดับการหาจะดับได้เพราะแทงตลอดว่าจากักขูจกักขูสมุทยัยจกักขูนิโรจักขูนิโรธ า, รธารธขาม่มีปฏิปทาการแทงตลอดอย่างนี้ทั้งทวารหกนั่นแหละอวิชาจึงจับดับถ้าอาวิชาดับ ตันหาก็ก็ดับเพราะว่าตันหาจะชอบในวัตถุที่อวิชชาปกปิดเท่านั้ น, น, นถ้าตันหาดับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดับเพราะอะไรเพราะกรรมอถ้าตันหาดับมันไม่ทําให้กรรมเนี่ยให้มีผลเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าของตาหูจมูกลิ้นกายใจชาตบนี้นะถ้าอาหารดับน้ำรูปดับยังไงก็ตายเห็นไหมแต่ว่าเป็นการดับไม่ถาวรถ้าตายถ้าเราตายนะ ภาษาธรรมะเรียกว่าสมมตินะของเราถือว่าตายจริงเออต่างกันนะถ้าสมมุติของเราตายชาตินี้นอนในโรงให้พระสวดอภิธรรมเนี่ยนะภาษาทางธรรมะเรียกว่าสมมุติ ม, มรณะแต่ถ้าผ้าหันดับขันปรินิพานเรียกว่าส ม, มุติเฉทธรมรณะอันนั้นตายจริงของเรานี่ตายเล่น <c oughs> เล่นนี่จริง <c oughs> มันตายแล้วมันเกิดอีกนะมึงก็รู้ว่าจริงหรือเล่นอนนะ <c oughs> เกิดเกิดตายตายเนี่ยนะกลัวตายหรือกลัวเกิด สาธุโวกการบอกว่ากลัวตายจริงก็บอกว่าจริงๆก็กลัวเกิดนั่นแหละที่บอกว่ากลัวเกิดบางแห่งแต่หลายแห่งก็ไม่ค่อยกลัวทีนี้ต่อไปนะว่าแล้วรู้เห็นอย่างไรหนอะจึงจากสิ้นอวิชชาสิ้นตัณหาะสรุปนะด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะรู้เห็นอย่างไรหนอะจิงจากสิ้นตัณหาสิ้นอวิชชา อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอบรมให้เป็นสมถะและวิปัสนาได้อย่างไรเนี่ยนะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพิจารณาแล้วเจริญเป็นสมถะได้อย่างไรอันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อดับอาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือตามเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะนั้นการตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นรังหัวฝีเป็นต้นการยิ่งพิจารณาไปอย่างนี้มากๆเมื่อตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจะละความสําคัญหมายว่าเที่ยงจะละความสําคัญหมายอว่าเที่ยงในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตามเห็นโดยความเป็นทุกข์จะละความสําคัญหมายว่า เป็นสุขในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาจะละความสําคัญว่าเป็นอัตตาในตาหูจมูกลิ้นกายใจมั้นก็จะตามเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจคําว่าตามเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่ต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพใดภพหนึ่งในภพทั้งปวงไม่ต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจในทุกภพอัั้นก็อดเที่ยวสิเนาะ ยังหวงเองกันเลยไอห่วงเที่ยวนั่นแหละตัวดีนักเลยแล้วก็มันก็จะไม่ไม่ปรารถนาตาหูจมูกเล่นกายใจจึงไม่ต้องการแม้กระทั่งตาหูจมูกเล่นกายใจณนะที่ไหนไหนอันที่จริงนะทุกภพทุกภพทุกชาติก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจนะสมมติถ้าให้เราไปอยู่ที่ไหนโดยที่เราไม่มีตาหูจมูกเล่นกายใจเอาไหมเอาหรือไม่เอาเอาืม นั่นแหะไม่น่าแล้วจึงไม่ปาธนานม่ผ่านว่าไม่ได้สเสวยใช่ไหห่วงมากเพราะไม่ได้สเสวยเดี๋ยวไม่ได้กินแกงเลียงอ่ะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวไม่ได้เห็นนายจะทําไงนัะนน่าเสียดายนะก็คือเนี่ยความที่เราห่วงแหนต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ที่ปฏิบัติเพื่อดับวัตต์จริงๆอ่ะนะเขาบอกว่า เออที่ไหนที it it ่ไหนก็คือตาหูจมูกเลนกายใจทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการแม้แต่ที่ไหนไม่ต้องการแม้กระทั่งพบใดพบหนึ่งเพราะพบทั้งมวลเหล่านั้นก็คือตาหูจมูกเลนกายใจที่ไอตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยโง่ประมาเหมือนอะไรเนี่เหมือนเรือนว่างจริงก็คือปราถนาเรือนว่างนั่นแหละเรือนแล้วเรือนเล่าหลังแล้วหลังเล่าเนี่ยปราถนาบ้านร้างอยู่นั่นแหละเอาไว้ให้โจร มาปล้นนะนะโจรคืออายตนะภายนอกมาปล้นเอาไปอีกแล้วนะอันก็จะมองเห็นอายตนะภายในเหมือนกับเรือนว่างอายตนะภายนอกเหมือนกับโจรปล้นวิญญาณทั้งหกเหมือนกับมายากลเห็นรูปเหมือนกับโรงพยาบาลหรือเหมือนกับฟองน้ําเห็นเวทนาเหมือนกับอ่อมน้ําหรื อ, อตัวความเจ็บไข่มองเห็นสัญญาเหมือนกับ พยับแดดหรือเหมือนกับสมุทฐานแห่งความไข่มองเห็นสังขารเหมือนต้นกล้วยหรือสมุทฐานแห่งอาหารแสดงมองเห็นวิญญาณเหมือนกับมายากลหรือกลอนไขอันก็มองเห็นมหาภูตรูปเป็นที่ตั้งแห่งรูปประคันเหมือนกับอะไรเหมือนกับมหาภูตรูปเหมือนอสสรพิษสี่ประการมองเห็นอุปาทานขันห้าเหมือน เพชรขาดตมองเห็นนั้นที่ราคาเหมือนกับเพชรขาดตเนี่ยนะมองเห็นอะไร อ, อะไรมาภูตรูปเหมือนอสรพิษสีเลยนะมองเห็นภบสามถูกไฟเวีก อ, องเนี่ยนะเผาอยู่นะไฟคือชาติชาราพยาที่มรณะเป็นต้นเนยนะ